ที่เรามาเขาป็นคนชอกเนาตัวนี้ก็รอจากทุกที่โดยเอาใจบอก็จะกลับมาช่วงหลังของการปฏิบัติเม่มาเรากล่าวสรุปซะหนาอว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยถึงแม้จะเป็นแนวของพระเทียนก็เป็นวิธีของสถิติฐานสี่มีอยู่ในที่เรียกว่าสัพพัญญะปปะ การวิธีทําความรู้สึกตัวในแปแต่เป็นไทยสัมพันธญาปราความรู้สึกตัวก็คือสัมพันธญาเนี่ยคือในสุตปทานสี่ท่านจะบอกว่าเป็นทางสายเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงพ้นโศกกรรปริเทวะความโศ์เศร้าอพิรมพันธ์และก้าวลวงพ้นจากทุกโศกมนต์ ํำจัดทุกตัรมันนัดได้ด้วยทางอันนี้เพื่อจะได้บรรลุทังยายะทางก็คือทางสายกลางแล้วก็ให้รู้แจง้งซึ่งผ่านซึ่งเป็นความสุขที่เหนือสุขอื่นใดนในโลกแล้วก็ท่านจะกล่าวสรุปว่าเป็นภาษาบาลีอาตาปีสัมปชาโนวสติมาที่กายเวทนาจิตธรรมทั้ททงฐานทั้งสี่ซึ่งเป็นนิวาส ชีวิตของคนเรามีขันหน้าก็คืนนะคอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาถ้าสรุปแล้วมาเป็นนิวาส น, นิรุณที่อยู่อาศัยแล้เราก็กลับมาดูรูปก็คือกายเยวทนาก็าดูเวทนาจิตก็คือดูที่วิญญาณทําก็คือธรรมารมณ์ความคิดนึกทั้งหมส่วนสัญญาก็าคื อ, อ อวามหมายรู้จําได้ก็คือสัญญาบริสุทธิ์ก็คือความรู้สึกตัวนี่แหละรู้สึกซื่อที่หลวก็่อคำเทียนพูดถึงเพราะนั้นก็การปฏิบัติสีิประกานสี่ก็คือการดูขันหน้างตัวเราเองเนี่ยกายใจของเราให้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลารู้ซื่อรู้โดยปราศจากความคิดปรุงแต่งที่จะพาไปสู่อภิชาและโทมนัสถึงให้ดูอาตาปีทําความเพียรให้มากจะเกิดสมาธิขึ้นมา สติมาสัมปชานญะคือความรู้สึกตัวหรือสัมพัญญะแล้วก็สติมญญาังคือสตินั้นก็ทําสติแะญญความรู้สึกตัวให้มากด้วยความเพียรนตลอดเวลาเราทําได้นอกรูปแบบเราก็ทําได้เราจากการยืนได้นั่งนอนแล้วก็ในสัมปชัญญะปฐพิญ ญ, ญาะะนุสตเจ้าแยกออกมาว่าเป็นความรู้สึกตัวทําไมไม่ กาว่าเกิดสติอย่างเดียวเกิดความรู้สึกตัวสัมผัญญะเพิ่มขึ้นมาเช่นการเดินหน้าถอยหลังคู้เข้าเหยียดออกเลี้ยวซ้ายไหลขวาคู้เข้าเหยียดออกก็คือการสร้างจังหวะตามเนอ โ, โรโพเทียมเองการส่งบายสังกติและจิตวิของพระก็คือการแต่งกายของฆราวาสยืนกินดื่มเคี้ยวริ้มรส เป็นเออยาบทย่อยซี่งเกิดในชีวิตประจำวันไทยอจะ ร, ระปัสวาก็เป็นเออยาบทย่อย <c oughs> ยืนเดินนั่งหลับก็คือยืนเดนนั่งนอนในเอยาบทเอิยาปทถปัปภะเิยาบทใหญ่สี่ก็รวมอยู่ในนี้ตื่นพูดนิ่งก็รวมอยู่ในนี้ก็คือชีวิตทั้งชีวิต อยู่ในรายขดย่อยแต่ไม่เกิดความรู้สึกตัวแต่นคความรู้สึกตัวนี้มันก็คือปัญญาเฉพาะหน้าในขณะนี้ wisdom and action ธรรมนนรดาเพรา ะ, ะมันเห็นเห็นกลางๆรู้ซื่อๆรู้ด้วยปัญญาไม่โดนอแอบแฝงไว้ด้วยโลกกดหลงแล้วถึงถึงกสามารถกำจัดอภิชาและโทมนับได้คืออภิชาคือความยินดี โรงนัก็คือกินร้ายแล้วเราโดนโรกรดหลงเนี่ยขโมยเลยอาไป ย, ยินดียินร้ายเมื่อเมื่อจิตไม่รู้เท่าทานความคิดกรุงแต่งะนั้นแกกับปรู้สึกซื้อทำให้จิตเนี่ยมันมีปัญญาเกิดขึ้นมันไม่โดนหลอกตัวมันก็เกิดปัญญาเห็นเห็นสิ่งเปึ่งตาตามความเป็นจริงเห็นรูปนามตามที่เป็นเป็นจริง ไม่เกิดสมมติปัญญาขึน้นเมนมันก็จะเกิดปัญญารอบรู้ขึ้นมาได้เหมือนที่ป้าพายะเกิดครูพเจ้าตรัสว่าพายะเธอจงฟังให้ดีเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ฟังสักแต่ว่าได้ฟังรับทราบสักแต่ว่ารับทราบคือรับทราบมาทางตาหูจมูกเล่นกายใจรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งรู้แจ้งกเนเป็นแค่ รูปเสียงขึ้นลดกายสัมผัสและธรรมารมณ์คือไม่เกิดรูปสัญญาเจตนาคือไม่เกิดอากติรูปแบบไบแอสไม่มีไม่มีว่ารูปนี้สวยไม่สวยเวทนาก็ไม่มี เ, เ, เสียงแสงเสียงกเ็เสียงก็เหมือนกันไม่มีว่าเสียงเพราะไม่เพราะเป็นเสียงก็เสียงหมาเห่าเมื่อกี้ก็ถึงลมพัด หลงคาแทบจะเปิดอืดอัดอืดฮะลมแรงวันนี้ฝน ม, มาโย่ก็ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมชาติก็รู้เห็นตามเป็นสิ่งฟังก็สักแต่มาฟังรับทราบก็รู้ว่าเป็นแค่ไม่ใช่เป็นรูปธรรมดาไม่มีรูปประสัญญัาเจตนาไม่มีสัจจะสัญญัาเจตนาไม่มีเสียงที่มันโอเสียงหวานเสียงเสียงมัน เคร่งเครียดก้าวร้าวก้าวร้าวหรือว่าเสียงด่าเสียงอะไรก็เป็นเสียงธรรมดาแล้วก็กลิ่นก็เป็นกลิ่นคานะก็คันทะสัญญาก็เป็นไม่มีคันทะสัญญาเจตนาสัญญาเจตนาสัญญาคือ perception รู้ธรรมดาเจตนาเพราะมันก็มีอาการเตะขึ้นมาละเจตนาคือกรรมคือแก้บก แัะนั้นว่ารูปรสัญญาเจตานาด้วย ร, รูปที่มันแฝงด้วยความพอใจไม่พอใจเป็น bias form bias cell เรียว่าเสียงที่พอใจไม่พอใจ for, ส, สิส่งที่พอใจไม่พอใจรถที่พอใจไม่พอใจอะไรเงี้ยมันก็เป็นแค่รู้ธรรมาดากายกาปัดที่้อนนุ่มดีนะแตบบ่นี้มันแข็งเกินไป แ ล, แล้วก็เป็นการรู้ซื่อๆทำไม่รู้ซื่อแล้มันเกิดอะไรเลยว่าจิตที่มันรู้ซื่อๆจิตธรรมดาไม่มีไม่มีวิญญาณสัญญาเจตนาธรรมะสัญญาเจตนาเราเข้าไปก็จะวิญญาณธรรมะสัญญาเจตนาคือเป็นรูปสัมผัสเนี่ยตรงนี้เปลี่ยนจากรูปจากจากวิญญาณนกลาย่าเป็น สิ่งที่วิญญาไปสัมผัสคือธรรมะสัญญาเดชนะก็เป็นธรรมะซื่อๆรู้ซื่อๆก็ทาไมมีประโยชน์อะไรที่รู้เนี่ยรู้จักแล้วก็แต่ตภายยะจะต้องรู้อย่างนี้นะแต่แล้วก็พูดยำ้ำให้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ฟังสักแต่ว่าได้ฟังรับทราบสักแต่ว่าสรารับทราบรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้ง คือรู้ท่าอัตชก็เป็นรูปเนเสียงหมาเห่าก็มาเหาไม่ต้องาาว่าหมามันรบพวนเนี่ยจะยินธรร ม, มดาเสียงก็ธรรมดาไม่มีอะไรก็ก็เป็นสัจจะสัญญะเจตนาไม่มีไม่มีมันไม่มีสัญญาหรือมนโนสัญญะเจตนะอันนี้ไม่ต้องมีแค่รู้เฉยก็เป็น เป็นการรู้สืบเพราะฉะนั้นเธอจงทำไม่ได้อย่างนี้เมื่อเธอทำได้อย่างนี้ในขนาดนั้นจะไม่มีความเป็นเธอปรากฏเมื่อเธอไม่ปรากฏเธอย่อมไม่มีในที่นี้ในโลกนี้หรือโลกหน้าหรือระหว่างโลกทั้งสองก็คือไม่มีในขนาดนี้หรือขนาดหน้าหรือระหว่างขนาดนี้กับขนะหน้านั่นคือที่สุดที่สุดแห่งทุกนออา ย, ยะก็ แต่จะรู้ต่อหน้าอุทธเจ้าทันตีเลยด้วยธรรมะสั้นๆ ส, ส, สั้นที่สุดเมื่อรู้ซื่อๆนี่ความรู้ซื่อๆนี่สำคัญถึงมีอัตตาปีสัมปชัญญโนสติมาคือการาทําความเพียรมีความรู้สึกตัวแล้วก็มีสติก็จะตัดอภิชาและโทมนัดคือยินดียินร้ายกับมารู้ธรรมดาธรรมดามันก็ไม่เกิดทุกข์ เพราะว่ายินดลร้ายก็คือตัวทุกอะไรเพราะว่ามันอยากได้เกิดเจตนาตามทั้งหมดมันก็เกิดเพราะอยายตนะ6เนี่ยสัมผัสกับภายในกับภายนอกเกิดวิญญาณหนึงหมัรับรู้เกิดความเกิดสัญญาเวทนาเกิดสัญญ า, ญญาคือรู้สื่อแล้วเกิดสัญญะเจตนาตา ม, ามโดยเฉพาะมโนสัญญาเจตนาคือรู้แบบอคติ bias perception ก็ ias, per เกิดวิ วิตกวิจกเกิดตัณหา craving, กา craving craving อยากได้หรือไม่อยากได้เพราะว่าตัณหาวิ่งกว่าตัณหาอยากจะขับให้มันหมาเหาอยากให้มันเลิกเั่รบกวนสมาธิแล้อะไรเงี้ยก็แค่ฟังเฉยก็ เ, เสียงในมันททนไม่มีอะไรก็ทำให้หลุดพ้นได้ตรงนี้ไม่มีวิตกวิ จ, ว, จวิตกก็คือ disturbing thoughts วิจารคืออัปเสซิต์ตัเราแตโมกังวลนเสียงมาก็เลยไม่มีสมาธิเลยยิ่งยิย่งยินร้ายเข้าไปยังโทรมานัดไม่พ อ, อ, อ, นะอใจมาทาบ ม, มาแล้วพยายฟังเสียงมาเอา <c oughs> เสียเวลาเสียจริงเสียที่ใจหรอเพราะฉะนั้นก็ควรจะทําความรู้สึกตัวดูซื่อๆเนี่ยโดยวิธีรัดสั้นอย่างนู้นวิธีเพื่อเที่ยงเนียดีมากด้วย สามารถทําในชีวิตปรจะจาวันเราเราอยเดินนั่งนอนนี่มันธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าเออายอายบทย่อยเนี่ยสำคัญมากเพราะากินเดี่ยวเลี้ยวเอ็มรถกับพิบตาหายใจเราผูกสติลงไปเราได้กําไรมาแล้วคือความรู้สึกตัวขาา้นมตรงไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้นายจารย์โภวิศเคยบอกว่าเคมนันนันแทบอกว่าที่ปฏิบัติทำที่ดีที่สุดไม่ใช่ที่บ้านไม่ใช่ที่วัด ไม่ใช่ที่ที่ทำงานแต่อยู่ที่ที่มีความรู้สึกตัวคือที่ไหนก็ได้ที่เรารู้สึกตัว<ม>อยู่ข้าห้องน้ําแล้วก็รู้สึกตัวได้ยืนเดินนั่งนอนทําอะไรก็รู้สึกตัวได้ทั้งหมดเพราะชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่รู้สึกตัวมันก็ทุกน้อยลองเพราะว่ามันรู้เท่าทันไม่เคยอภิชาตัวขนานดะมันก็ไม่ต้องหลงไปทาความทุงสร้าง เขาเรียกว่า ค, คือคือใจลอยคนธรรมดามันคิ ด, ค, ดคิดทั้งวันแต่เข า, าพบแล้ววา่า a อ e ว a g e เนี่ยคนคิดประมาณพันพันเรื่องต่อต่อวันคือมันสรุป้ำประมาณเออไม่ถึงวินาทีเนี้ยเราก็คิดได้ละรอบหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้คิดตลอดเวลาแต่ว่า ช, วชั่วโมงนี้เตีย เซว่าสิสสส อ, สสอสนอนสักชั่วโมง อ, งอะไเงี้ยเซลสัอยสิบสชั่วโมงอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็จะมีคิดอยู่เนี่ยจะพูดขึ้นมาประมาณพันพันหนอนต่วันเพราะชีวิตเราเนี่ยหลงไปกับความคิเดเยอะแยะเงินถ้าสามารถหยุดได้เนี่ยมันมีความสุขนเยอะไม่ต้องเสียเวลาเล คือวิทยาศาสตร์ก็พบว่าเวลาเราใจ่อยสมมติเรากำลังเดื่มน้ำชาอย่างนีก็ใส่น้ำจ่อชงกาแฟเติมน้ำตาลไปล้นถ้วยอะยังไม่รู้ที่มันเทได้เทเทน้ำตาลล้นถ้วยเพราะว่าใจร่อยคิดไปต้งน้ำาเพบว่ามันเป็นวงจรแล้วก็ตีฟอลเน็ตเวิร์กมันอยู่แถวทางด้านหลังโพสเรียสซิงเกิลเจยส แบเ p r e c u r e u s uh, อยู่ข้างด้านหลังแล้วก็เอ่อ uh, uh, medial frontal cortex ด้านหน้ า, าด้านตรงกลางอันนี้เป็นส่วนที่มันเกี่ยวกับ s ซ l f เกี่ยวกับอัตตาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยคิดไปย้อนหลังในความคิดหรือว่าโปรเจคไปข้างหน้าคือแต่ฝันหวานไปนะก็ตรงนี้ก็เป็น default พวกซึ่งมัน มันดูดพลังไปตั้ง 60-80 เปอรในสมองเนี่ยคับไม่เหนื่อยแต่ขณะที่การรู้ซื่อๆเนี่ยใช้พลังงานในสมองแค่จุดห้าหรือหเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่ทํางานทั้งวันได้ก็ไม่เหนื่อยถ้าเรารู้สึกตัวเพราะว่ามันไม่ได้สูญเสียไปกับพลังงานคิดให้ทําชิ้นนี้แล้วจะได้ผลอะไรปฏิบัติวันนี้จะได้ผลอะไรอย่างเงี้ยมันก็คิดไปข้างหน้า เสียพลังงานไปแลยย้เยอะไงแต่นี่ว่าจะมารู้ซื้อก็กลับมามีปัญญาได้เลถ้าไม่มีปัญญาเพราะว่าจากการที่ว่าเราเห็นอะไรเนี่ยตามความเป็บบนจริงเนี่ยก็เห็นทุกอย่างเป็นไกรละตามความเป็บบนจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดำตายมันจะจำกังกังอนุตตมันก็เลยเราเยึดมั่นตือมั่นมันเกิดเป็นปัญญา เ, เป็นเกิดเกิดว่าเบื่อหน่ายที่เราไปยึด ก, กับมันเกิดนิพพิทาญา ก็ เ, เกิดเกิดวิราคาะาเมื่อหน่ท้ายกำหนดแล้วก็หลุดพ้นได้นิโรถขั้นตอนนี้นก็มัมีปฏิจจสมปฏิจจุต บ, บาญยสบขั้นนะเราจะได้ยีสิบส2ขั้นในพระสูตรก็มีอันนี้พุท ธ, ธาทาก็้มาพูดแล้วคุณประยุทธ์มาพูดอยู่ในหนังสือพุทธธรรมที่ปกติจะเริ่มอวิชาความไม่รู้เนี่ยหรือไม่รู้ คือโง่ไปลงไปจากความก็เกิดสังขารความคิดปรุงแต่ง mental impulse เนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นมโนวิญญาคือเกิดเกิดวิญญานี่คือมโนวิญญาไปย้อมใจเนี่นยย้อมใจก็เกิดนา ม, มารูปนะห ม, มารว่าคือรูปคือนามคือมโนภาพเป็น singularity เป็นเอกพจน์นะว่านา ม, มารูปไม่มีคำว่ารูป รูปมานาไม่มีมีแต่นามารูปในปฏิเสธบก็คือนามนามมารูปนามก็คือใจหรือจิตรูปก็คือรูปก็คืออิมเมก็คือภาพหรือมโนภาพนามก็คือมโนนามก็คือเอฟนา ม, มารูปก็คือมโนภาพแปลตรงตรงเลยมโนภาพก็คือ mental image ก็คือโฮโลแกรมที่เราสร้างก็เป็นอิมเมจตัวเราเพราะทุกครั้งที่เราคิดจะมีตัวเราซ่อนอยู่ตรงนั้นในรูปที่เราคิดในความคิดนั้นก็คือเมนเทลอิมเมจเซลล์อิมเมจโฮโลแกรมที่อาจารย์โคเวฟูดนามวิวจะเกิดไปยอมสลายเจตนาตาหูจมูกเลี้ยงใจใจพรรษาเวทนานี้โดนยอมหมดเป็นมีไบอสมีมีสัญญาเจตนาซอนเข้าไปละ เกิดภาษาเวทนาเกิดเวทนาอย่างสังงญญาเจตนาซ่อนก็เกิดตัณหาอยากได้หรือไม่อยากได้อุปทานเกดิดพบชาดขไปยึดมั่นอุปทานเกิดพบเหมือนเกิดชาดภาวะเราเ ก, า ก, ากาสร้างพบขึ้นมาในความคิดอยากจะเป็นอะไรเงี้ยมัอนอยากจได้เสื้อตัวนี้อยากจะรถคันนี้ เลยเกิดสร้างภพชาขึ้นมาในความคิดพอไม่ได้ก็เกิดโศกะปริความคิดสุขงอมเสียใจมีรายลํำพันแล้วก็สร้างความคิดใหม่องจรแตนี้ support ถูกทุกทบนะแต่เนี้ยความคิดสุขงอมก็คือทุกข์เพรามันชะรามรณะคือความตายแก่ของความความอมความคิดมรณะความตายของความคิดไม่ใช่ปะ ร่างกายที่ตาสังขารทั้งหมดคือเกี่ยวกับความคิดส่วนใหญ่แม้แต่หลวงปู่มั่นก็พูดอย่างนั้นก็ะจะเกิดขึ้นในจิตนี้แล้วก็ก็เป็นวงจรอีงอันนี้ถ้าต่อไปอย่างปฏิบัติยี่สิบสี่ท่้นก็จะมีต่อด้วยศรัทธาคือเชื่อมัน่นในการตัดสรู้เรื่องการตัดสิรู้เรื่องปฏิโยบาห์ยี่เพรศิบสองเนี่ยและนิพพานคือว่าการตัดปฏิโยรบา มันก็คือการเกิดขึ้นของทุกข์และการดับของทุกข์เองมารวมเป็นอริยสัจสี่สายเกิดสายดับสายเกิดก็คือทุกข์เกิดจากตัณหาเป็นเหตุทุกข์โรคกดธลงเนี่ยสายดับก็คือมรรคแั่นคือทางสายกลางที่จะมาสามารถดับทุกข์ได้ก็คือเห็นแจ้งเห็แจ้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเกิดสัจก็สิบสามสิบสัทธา ต่อโดยธรรมะสมาธิห้าสมัยหลวงพ่อประยุทธ์มาพูดเยอะธรรมะสมาธิห้าก็คือทําใจให้ปรามโมทรือร่าเริงก็เกิดปิติขึ้นมาปิติก็เกิดประสิทธิตามมาเกิดสุขตามมาสุขก็ขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิด้วยตนธวัตรทำใจให้ร่าเริงเกิดสมาธิได้ก็จบไปหกสัทาธาธรรมะสมาธิห้า ก็เป็น hi. เท่ิปดเลยเกิดญาณทัศนวิสุทธิเมื่อเ ม, mm มื่อจิตมันแจ่มใสมีมีสมาธิมันเห็นตามความเป็นจริงเห็นนันจังทุกการณ์ันตาในธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงรองทั้งตัวเราด้วยถ้าเกิดนิพิธาความเบื่อน่คลายกำหนัดแล้วก็หลุดพ้นจะไม่มีว่าปล่อยวางนะไม่เกิดตามเาาบือหน่ายคลากำเนิดแลจิตมัหลุดพ้นเลย ไม่มีว่าเออปล่อยวางไว้แลมันหลุดออกมาเองเวไนยครับหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วก็เกิดขยายยาเงี้ยมาคือว่ามียานรู้ว่ามันอะไรหลุดพ้นไปแล้วเกิดถึงซึ่งถึงนิพพานก็เป็นยีิบสี่ขั้นอย่างเทียนเขียนหนังสือไว้เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วยาน่อมมีเคยเจอพระที่วัดสนามในลุงตาแก่ค่ะบกาลังเทศสอน คราว่าอุบาสกบอกเนี่ยนะต้องทำอย่างนี้หนังสือเล่ม น, นี้ก็ตั้งชื่อผิดมันควรจะว่ายา่อมมีแล้ถึงจะจิตหลุดพ้นไปอย่างนั้นไปอังก็แต่จริงๆถูกแล้วเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วยางเกิดขยะยาเนี่ยรู้ว่าอะไรหลุดพ้นไปยังยังมียาดอมมี ก็ถึงซึ่งนิพพานแล้วเรงการปฏิบัติทางสายตรงนี้ก็คือสถิติปัฏฐานสีวภิธิที่ง่ายก็คือสำเพจรญาบพระโดยวิธีของรูปเทียนง่ายรัดสั้นสามารถทได้ในชีวิตประจําวันเนื่องจากเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะเป็นกําไรของชีวิตที่ว่าเราสามารถเคลื่อนไหวรู้เท่าทันในชีวิตในทุกริยาบทที่เราตื่นอยู่เนี่แม้แต่หลับเราก็หลับไปด้วย ด้วยสติความรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็สดชื่นรู้สึกตัวขึ้นมาอีก็เป็นชีวิตที่ราบรื่นผ่องใสไม่หลงไปําความคิดความลักคิดก็ทำให้ชีวิตนี้มันง่ายไม่ไม่หนักไม่เหนื่อยแล้วก็เป็นชีวิตที่สดใสไม่ต้องทุกข์ก็ฝากไว้ตรงนี้คุณชาลุ กนกปฏิบัติมาเยอะวันนี้ก็ได้ปฏิบัติเต็มที่ <c oughs> ชั่วโมงครึ่งก <c oughs> ็เป็นแนวทางที่เป็นกำไรชีวิตถึงแม้จะไม่ไม่ได้อะไรแต่ความรู้สึกตัวนี่ก็เป็นกำไรแหละทำไม่ทำอะไรทำงานก็ไม่เหนื่อยเป็นชีวิตที่คุ้มค่าเออทักษไปกันีีครับ